ระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพระอุปคุตปราบมารทำไมจึงดับไฟเพราะว่า เวลาเรานัง่งภาวนามนแมลงมันมาตอมไฟมันหล่นลงมามาตายพวกเราขณะที่นัง่งสมาธิเราต้องการความสงบที่สุดนะพอเราจุดไฟให้มันออกไฟไปออกข้างนอกแล้วก็ให้มแมลงออกไปต่อมไฟอยู่ข้างนอกไม่ควรจะมันอยู่ใกล้เรามันอยู่ออกไปข้างนอก ถาาจุดไฟมะมะแมลงมันก็หล่นลงมาเวลาเรานั่งภาวนามันมีมแมลงมาตอมมันหล่นลงมาเป็นทำให้ใจของเราวิตกกังวลที่มแมลงมันตายแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็เวลาเราจุ ด, จดไฟสว่างๆเวลาใครเหงานอ น, อนก็จะเห็นงกง ก, งกมันดุดุนมันกรเลนะ มันมืดสักหน่อยเพื่อไม่เพื่อไม่เห็นคนเหงานอนพอนั่งนั่งฟังเทศไปเดี๋ยวหงายหลังเหมือนกับนิทานของหลวงตาหมาบัวที่ท่านพูดเรื่องหลวงพ่ออุปคต หลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุพัฒนะลูกศิษย์ของหลวงตาน่นะหลวงติดหลวงตาที่องค์ที่ตกเครื่องบินมีหลวงปู่ชิงทองหลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงปู่สุพัฒน์หลวงปู่บุญมาที่ห้าองค์แต่หลวงหลวงหลวงปู่สุพัฒเนี่ยเป็นพระที่มีอายุพรรษา้นน้อยที่สุดที่ไปด้วยการเขาวนั้นเนี่ยท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านใต้ อำเภอะหว่างแดนดินท่านเป็นคนเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเนะี่ยหลวงตาออกมาพูดให้พวกเราฟังคือหลวงปู่จูพัดเนี่ยนะสมัยท่านไปภาวนาอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นอย่างพวกเราเนี่ยนะประชุมกันอย่างวันพระอย่างนี้นะแตะน่นี้อาจสงมันสูงนะเกือบ5้าสิบเซนนะที่สาาวัดอุโรมสมพรนะอำเภอพันณานานคม ตอนน้หลวงปูฟั่นนะก็เป็นองค์แสดงธรรมเป็นองค์หลับตาแสดงเทศให้ศรัทธาญาติโยมฟังพอเทศเสร็จแล้วท่านเอานั่งภาวนาต่อนะต่นนี้ท่านพระทั้งหลายก็นั่งขอบอาจสงใช่ไ่มนะนั่งเรียงกันนั่งเรียงกันเนี่ยขอบอาจสงนะแต่นนี้ก็หลวงปูท่านหลวงปูฟันฟ่นเทศจบทัานก็หยุดนะพอหยุดเสร็จแล้วก็เอานั่งภาวนานะเงียบนะแต่หลวงปูสุภัทนะ ท่านง่วงนอนเลอท่านง่วงพอนั่งไปสักพักหนึ่งทั้งหงายหลังเนละหลาหงายลงหงายหลงังลงอาดสงเอยหงายหลังต่อมข่ำเลยนะพอควบมันก็หายง่วงนะใช่ไหมป้อปับลุกขึ้นมาอย่างเร็วเลยว่างั้นไอ้พอหน้าลืมตาไม่ไม่ลกุกมาเสียงอะไรว่างั้นเอยพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าใครเป็นอะไรเห็นพระทุกองก็ น, นั่งเงียบ เพราะท่านก็ค่อมแล้วมันก็รีบลุกขึ้นมานั่งไม่ขยับเร็วเงี้ยแต่แต่หลวงปู่ฟันก็รู้แล้วพระางาหลังว่ากันลงอาดท่งแต่งานั่งภาวนาต่อหายเงียบพอเสร็จแล้วหลวงปู่ฟันท่านใจดีได้ศรัทธาญาติโยมเพจไว้เสียงดังโคมคลามอ่ะที่พอเราก็นั่งสมาธิอยูนน่นั่นนั่นนั่นแหละพระท่านปราบมาน ป ร, ปราบมานว่มานคือความง่วงใช่หมเวล า, เาความง่วงเหงาเเขวนอนเป็นมาเนเอเป็นเป็นขันธ์มานเป็นกิเลสเป็นกิเลสฌามานตัวหนึ่งเอยท่านก็ปราบท่านหายง่วงทันทีแล้วนะท่านปราบมานนอท่านลุกมานั่งแต่นั่นก็สัตถายาโจงก็ไม่รู้ว่เสียงอะไรกอพระ ป, ปราบมานพอต่อมาตอนเช้าวัะนีหน ตอนช้อปไปบินธบาต ท, ท่านบินธบาติรอบสลาเนี่ยบินธบัติบนสลาเนี่ยศัทธายาจมตอนช้อเขาไปทําอาหารพระก็บินธบัตในสลาคนทําอย่างนั้นหลวงปู่ฟันแต่ใ น, นเด็กที่มันไปกับแม่ของมันอ่ะมันไม่ได้หลับตาใช่ไหมมันก็มองเลือมองอยู่เออึงค์ที่ล่อมอมันก็เห็นว่าองค์ไหนฮะอแต่ศัทธายาจมพวกผู้หญิงเขาก็ไปพูดกันแล้ววันนี้ จะเป็นองค์ไหนว่ไ อ, ไ, อ ไ, อไอ้ที่ลงโคมตอนที่นั่งภาวนาเนะี่ยองค์ไหน ก, ก็สงสัยแล้วก็พูดกันแต่เด็กมันรู้ทีห เ, เด็ก 3-4 สปีนะ่มันรู้เพราะมันไม่ได้หลับตาเหมือนกับผู้ใหญ่มันนอนมองมองมองค์ไหนอพอตอนเช้ามาพระไปบิณฑบาตลงตามหลังหลวงปู่ฟันไปไพอเตินตามหลังไปพอไปกันหลวงปู่สุพัฒนก็ผ่านไปกาลังจะรับบาดแม่องลังจะใส่บาดใช่ไม ผมวแม่แ ม, แ ม, แมนี่ยละองเนี่ยละปาบมันว่าคืนเนี่ว้ายถ้าอยู่ในแผ่นเดีจะมุดแผ่นที่หนีแล้วอันนั้นมันอยู่ในพื้นสลาไม่ได้จะมุดไปที่ไหนว แ, แต่แต่แต่ทางผู้แม่ก็กลัวครูบาจะอายใช่ไหมเออจับดึงแขนลูกว่ใช่ใชจะพดจะพดจะพ ด, ะพดไอเด็กน้อยมันมันตรงเนี่ย มันชี้นิ้วขึ้นมาแม่แมแมแ ม, มองค์นี้แหละปราบมารเมื่อคืนนี่เองจากนั้นมาก็เลยเอหลงตามหาบัวก็เลย เ, เลยตั้งชื่อว่าอุปคตนะก็ไรตั้งชื่อว่าหลวงพ่ออุปคตปราบมารมาก็เลยได้ชื่อตั้งแต่คราวนั้นมาอุปคตอุปคตว่างั้นน่ะเนคือพระอุปคตเมื่อพระพุทธเจา้าไปในพานไปได้สามร้อปีพระอุป พระอุปคุณได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์เดชในเมื่อเป็นพระหรหันต์นะท่านก่อนหนีจากคู่คนไปจำพรรษาอยู่เมืองนาคไปอยู่กับนาคเลยอยู่ใต้บาดาลเพราะท่านมีฤทธิ์เฮิร์นเดินฟ้าได้ไปจาําพรรษาไปจำวัดกลางวันไปพักอยู่เพะมันเย็นแต่ในพญาธรรมโศกราชเขาจะสร้างบุญทําบุญโดยมากพวกพยาบาลจะมาไอ้พวกพยาบาลเนี่ยมันจะมา ก, ก่ อ, อกวนคนเนี่ย ลกวรคนเอ้ใครจะเอาใครน่อเนี่จะมาปราบพญามารเนี่ยเขาเห็นแต่พระอุปคุดเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาเอาไปนมนพระอุปคุดมา เ, าเขาไปเชิญพระอุปคุด เ, เพราะฉะนั้นเขาจะมีทําบุญพระเวทชั้นร้อนเขาจะเชิญไ ป, ไปถึงแม่น้ําเขาแห่เสลียงมาจากแม่น้ําแหพระอุปคุดมาให้ปราบมาร เ, เวลาเขาจะทําบุญมาให้มีอุปสรรคในการทําบุญเขาเนี่ จากนั้นเขานิมวนอันกราบประถนาพระอุปคุตมาอุปคุตมา ก, กันนะพญามารก็มาจริงจริงมาพญามารอ้าวพญามารจะมารบกวนเขานะเขาจะทำบุญเธอจังเป็นนั น, นะจะมาเกี่ยวข้องมาบันรดบารดาให้เขาแตกแยกสมัคคีกันไม่ได้นะมารเป็นบาปนะพญามารก็ไม่ฟังนะเพราะมันพมัญามารมันเกเรอย่างนีน้แต่ครั้งพระเจ้าอย่างนีย ไปหลังควานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปกราบประรัพนาให้พระพุทธเจ้าขอพระองค์ปรินิพานกับพญามารหลายเรื่องนะพญามารพระอุปโคตรบอกเท่าไรก็ไม่ฟังพระอุปโคตรก็เลยบรรดานหนังหมาเน่าพอหนังหมาเน่าแขวนคอพญามารทถอะนพอแขวนคอพญามารพญามารแกะไม่ออกทเลยพอพระละหันเป็นผู้มีฤทธิเ์เหนือกว่า พญามารก็ไปหาใครโขยคนเทวดาชั้นไหนก็แตกหนีหมดเลเพราะพญามารเหม็นหนังหมาเน่าพญามารฮช่พอี่สุดขึ้นไปถึงพรมเออไปวสวรค์ชั้นไหนเขาก็แตกหนีหมดเหม็นเหม็นหนังหมาเน่าฮชขึ้นไปถึงพรมพรมเ อ, อ๋ยเธอต้องไปหาท่านพระอุปคนะ์่ะไปขอให้ท่านแก้ให้น้ององค์คนอื่นไม่มีทางหรอกจไปแก้ได้เพราะ อันนี้เป็นอิทิฤลิ์ลของพระอรหันเป็นผู้เหนือกว่ากิเลสทั้งหลายพวกเราเนี่ยเป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่เป็นทึกที่เป็นพรหมก็เป็นสวรรค์ก็ยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่อันนั้นพระอรหันเป็นผู้บัญดาเอีทรมานเธอเธอต้องไปอยอมไปคารวะท่านไปขอให้ท่านแก้หนังหมาเน่าออกจากคอให้พญามารไม่มีที่ไปเราพวกเราคิดทุกแขกหมาเน่าเสียคอใช่ไหม แหมมันเหม็นขนาดไหนไปหาช้นไหนเขาก็แตกหนีหมดหมดทางไปเลยกลับมาหาพระอุปคุดเอมพระอุปคุดว่าเธอจะทําจะทําอีกไหมล้วไม่ขอสารภาพผิดจะไม่ทําอีกต่อไปจะไม่ดื้อด้านอจะเป็นผู้จิตใจไฟกุศลเออเอาถ้าว่าไม่ดื้อด้านแล้วจบปลดหนังมาเน่าออกจากคอให้นะจากนั้นพระอุปคุดก็เลย บันดลบันดาลให้หนังมาเน่าหลุดออกจากคอพยามาลแต่นี้พระอุปโคตรเคยบอกว่าเอ๊พยามาลสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายัางสงพระชนอยู่เนี่ยเธอคงเห็นนะเห็นเห็นพระพุทธเจ้านะมีรูปลักษณะอย่างไรเราในอยากจะรู้ละเกินว่ารูปลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอากับกิริยาของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรพอจะเนลมิตจําแลงตัวให้ เหมือนพระพุทธเจ้าให้เราเห็นได้ไหมพญามานบอกได้ผมเคยเห็นผมรู้ลักษณะของพุทธะเป็นยังไงเอาแต่งจําแรงให้เราดูสิวะพญามานก็เลยจําแรงจําแรงตัวเนลมิตตัวเองให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกอย่างพอจําแรงขึ้นมาขึ้นมาน่พระอุปคุตนั่งคุกเข่ากราบพญามานให้ กราบที่ลูกที่พญามารจําแลงตัวน่อกราบกราบพญามารพญามารบอกาใช่ใชท่านท่านท่านั่านท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วผมเป็นผู้มีกิเลสเป็นพญามารท่านไม่ควรจะกราบผมพระอุปคุตบอกว่าเราไม่ได้กราบพญามารเรากราบพระพุทธเจ้าเพราะเธอทําจําแรงตัวให้เหมือนพระพุทธเจ้าเรากราบ รั ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบตัวท่านแม้แต่น้อยเดียวเรากราบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบเธอนะเธอเมื่อจำแรงตัวไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรากราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้หมดจดจากกิเลสเป็นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาของเราต่างหากผู้ปกุดท่านกราบพยามารกราบลำเลือกถึงพระพุทธเจ้าเพราะนัะ้นหลวงพ่อจึงบอกว่าเรากาบพระพุทธโลกก็ดีกราบ ทองเหลืองก็ดีกาบหินก็ดีกราบอิดกาบทรายถ้าเรากราบอิดกราบหินกราบทรายกราบทองเหลืองทองแดงกาบปูนซีเมนอันนั้นประว่าโง่มากนะถ้าเรากราบแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ให้ธรรมะกับเราอันนั้นแปลว่าเราไม่ได้กาบก้อนหินปูนทรายแล้วกาบแล้ลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่ากเรากาบพระพุทธปฏิมา ที่นั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเราเนะี่ยนี่ก็คือรูปของพระพุทธเจ้าจำแรงออกมาจากพระพุทธเจ้าพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังว่าพระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะอย่างไรคนโบราณเขาก็ทํามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทําขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาก็คือรูปพระพุทธปฏิมาคือรูปของพระพุทธเจ้าเวลาเรากราบเราจะไปกราบทองเหลืองไม่ได้เลยเรากราบต้องน้อมใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นต้นศาสราเป็นปนพระพุทธศาสนาเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทมสะโมหะเป็นผู้บริสุทธ์ตุดพ้นเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้รู้แจ้งโลกทุกอย่างเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเราระลึกถึงนู่นนะไม่ใช่ว่าเราไปเห็นทองเหลืองที่ไหนก็กล่าบไปเห็นเหล็กปูนเห็นทรายที่ไหนก็กลาบไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านให้พวกเราเข้าใจ เวลากาป่าเห็นขนาดพระอุปคุตให้พยามาลจำแรงตัวให้เห็นว่าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะอย่างไรเพราะพยามารเ็าเกิดในยุคนั้นเขารู้ได้พยามารอายุยืนฮะเขาก็จำแรงตัวให้พระอุปคุตได้เห็นพระอุปคุตยังกราบนะฮะกราบเราไม่ได้กาพยามาลเรากาพระคุณของพระพุทธเจ้านะ ขอให้พวกเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนท่านต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าความเชื่อเฉยๆนะเราต้องใช้สติใช้ปัญญาถึงจะมีศรัทธาก็จริงอยู่แต่ต้องมีปัญญากำกำกับด้วยดนะัะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากในวันนี้นะพอสวดมนต์หมดละหมดหมดกำลังละต่อนี้ไปให้ คูบาเปิด MP3 สให้พวกเราได้ยินได้ฟังแต่หลวงพอ่อยากจะเปิดที่อุงพ่ออบรมพระ เ, เมื่อสามสวันที่ผ่านมาหลวงพ่อเรียงลำดับในการ อ, าอบรมพระให้วิธีการปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไงทำตนอย่างไงนึกคิดยังไงบริกรรมกรร ม, รรมฐานอะไรพิจารณาอะไรหลวงพอ่อพูดชั่วโมงกว่าในคณะสัตาายาติโยมนะหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ได้บอกเอาไว้ท่านเตรียมไม่ทันแล้วก็คงจะเอากันอื่นนะในภาคองค์ในภา ค, ค, ภาคการอื่นที่เรื่องพูดเรื่องกิตภาวนาพอพวกเรามาภาวนาแต่ตอนเช้าหลวงพ่อก็พูดเรื่องต่างๆเรื่องพักคุณบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาบ้างเรื่องการดําลงชีพการวางตัวบ้าง เราอยู่ในชุมชนสังคมปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมหลวงพ่อก็พูดแต่เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมาอย่างนี้นะควรจเจาเรื่องจิตภาวนานะมาพูดกันพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะเรื่องจิตภาวนานะหาผู้คนพูดได้ยากนะไม่ใช่พูดได้ง่ายๆผมงหลวงพ่อเองมั่นใจในการพูดในการแนะนำให้กับคณะทายาทโสมลุกชิดลุกหา หลวงพ่อได้ศึกษามาอย่างไรหลวงพ่อก็ได้นําความคิดนําการประพุทิปฏิบัติจากครูบาอาจารย์มานะมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษานะอตอนนี้ไปเปิดได้แล้วน้าท่นี่นะเอานั่งสมาธิพวกเราท่านทั้งหลายนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเมื่อนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วนะปนมมือขึ้นแล้ววางอกนะ ไหว้ครูสะก่อนพุทธโทธรรมโมสังโฆพุทธโทธัมโมสังโฆสมจบจากนั้นเอามือลงอาจากนั้นกับกำหนดลมหายใจเขา่าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโทในขณะที่ฟังเทศไม่ต้องใส่ใจในการเทศเออกเสียงมันจะเข้ามาที่หูเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ต้องไม่ต้องจดจํา ให้เข้าใจในการในพูดเสียงออกมาว่าอย่างไรเข้าใจแล้วก็จบเท่านั้นแหละเราไม่ได้ฟังให้ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเพื่อจําเราฟังเพื่อความเข้าใจในการฟังเทศนะในการนั่งสมาธิฟังนะเอาเปิดได้นะทีน่นะ